บทความตาสว่างรับอรุณโดยดังตรินปลายรวมชุดที่สองตอนที่หนึ่งหนึ่งถึงสองรวมข้อคิดกฎแห่งกรรมแนวปฏิบัติตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาเสียงงานโดยอริยคุณชมรมพลดีจัดทำเพื่อเป็นธรรมทานโดยครอบครัวสันตาสว่างสำหรับบทความชุดนี้จะมีเนื้อหาประเด็นย่อยหลากหลายบางหัวข้ออาจดูเป็นเรื่องไกลตัวหรืออาจไม่ตรงกับสิ่งที่ท่านสนใจ แต่ปกติจะมีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ซ่อนอยู่ในแต่ละหัวข้อนั้นอีกมากซึ่งสามารถนํามาปรับใช้กับกรณีอื่นได้อย่างหลากหลายนะครับหรืออย่างน้อยก็เก็บไว้เป็นหลักเพื่อช่วยแนะนําคนรอบข้างได้เป็นอย่างดีสําหรับท่านที่สนใจเลือกฟังในแต่ละหัวข้อต่างหากดูได้จากเพลย์ลิสต์ตาสว่างรับมารุณที่เป็นตอนย่อยแยกต่างหากท่านที่สนใจอ่านแบบข้อความติดตามบทความและหนังสือทั้งหมดของคุณดังตรินได้ที่เว็บไซต์ดังทริน .com และติดตามดาวนโหลดเสียงอ่านโดยโจโจทั้งหมดได้ที่โจโจดอทเนนะครับสัพพาทานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงฉันรับฟังและร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับ